วันนี้เป็นวันที่ข้าพเจ้ามีความสุขที่สุดที่เห็นลูกอาบน้ำกินข้าวหน้าตาสดชื่นจริงไหมพี่ท่านจริงเทิเดียวทั้งนี้ก็ด้วยความสามารถของท่านสมณนะเออแต่ไม่อย่างหนึ่งที่ข้าพเจ้าสงสัยท่านสงสัยอะไรอุบาสกที่แรกท่านบอกว่าท่านจะฆ่าบุตรชายข้าพเจ้าให้ตายไม่ใช่เหรอใช่อาตมาบอกอย่างไง แล้วทำไมท่านไม่ฆ่าเขาให้ตายละ่ะกลับทำให้เขามีชีวิตยอยู่ทำไมท่านไม่รู้ความหมายของอาตมาจริงทีเดียวขระพระเจ้าไม่รู้ความหมายที่ท่านสรับพูดมานั่นหมายถึงอะไระเมื่ออาตมาพูดว่าจะช่วยฆ่าเขาให้ตายอาตมาหมายความว่าจะฆ่าเขาให้ตายจากความทุกข์บัดนี้เขาก็ตายจากความทุกข์ไปครึ่งตัวแล้ว แต่ยังไม่หมดสิ้นสถทีเดียวอัตมาจะฆ่าเขาให้ตายจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิงต่อไปท่านสมณะฉลาดหลักแหลมที่สุดหลักแหลมมากกว่าบรรดา น, นักบวชทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคยประสบพบมาอย่าเพิ่งยาออาัตมาเลยอุบาสกชีวิตคือนิยายเรื่องยาวอันสลับซับซ้อนเมื่อฟังยังไม่จบอย่าเพิ่งด่วนตัดสินว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เออกุมาร ข้าพเจ้าพร้อมอยู่แล้วจะรับฟังคําท่านสมณะอาตมาจะให้คติธรรมแก่เจ้าคติธรรมอะไรท่านสมณะคติธรรมสาหรับสู้กับทุกเสรินท่านสมณะให้คติธรรมชีวิตคือการเดินทางอันยาวนานเรารู้แต่อดีตที่ผ่านมาแต่ไม่รู้อนาคตสุขและทุกข์อาจจะคอยเราอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งในหนทางข้างหน้าเมื่อเผชิญหน้ากับทุกข์ที่มีคาดฝัน คนพาลบางคนย่อมฆ่าคนที่ทำให้กลนเกิดทุกข์บ้างฆ่าตัวเองเพื่อนหนีทุกข์บ้างหรือไม่ก็ฆ่าทั้งคนอื่นและทั้งตัวเองแต่บัณฑิตผู้มีปัญญาเมื่อเกิดความทุกข์ย่อมรู้จักฆ่าความทุกข์คนอื่นก็ไม่ฆ่าตัวเองก็ไม่ฆ่ากูมาเลยสิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับชีวิตมีอยู่อย่างหนึง่งเจ้ารู้ไหมว่าอะไร กับเจ้าไม่ทราบอะอะไรเหือท่านสมณะสิ่งนั้นก็คือวิชาความรู้วิชาความรู้ถูกแล้วกุมารความรู้คือที่พึ่งอันประเสริฐคอยตามเกื้อนหนุนในยามทุกข์ความรู้คือมิตรแท้ คอยช่วยเหลือในยามสุขและยามทุกขมิตรภายนอกส่วนมากช่วยเหลือเฉพาะในยามสุขยามทุกขเขามักจะตีตนออกขาดแต่ความรู้จะอยู่กับเราตลอดเวลาทรัพย์สินภายนอกอาจประสบความพินาศต่างๆเกิดจากโรคภัยอคีภัยอุทกภัยและอื่นๆอีกมากมายแต่ทรัพย์สมบัติคือความรู้ไม่มีวันสูญเสียด้วยภัยใดๆ เพราะฉะนั้นความรู้จึงมีค่าแก่การแสวงหาขปเจ้าเขใจอัตามาะดีแล้วไหนบอกอาตมาสิว่าสิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับชีวิตคืออะไรวิชาความรู้ถูกแล้วคนในโลกต่างเห็นคุณค่าของความรู้และแสวงหาความรู้กันอยู่ทั่วไปคนที่มีทรัพย์สมบัติมากหน่อยก็ส่งบุตรหลานไปศึกษาเล่าเรียนยังเมืองไกล เนเมืองตักกศิลาส่วนคนที่ไม่สามารถส่งไปเรียนถึงตักกศิลาก็ขวนขวายส่งไปเรียนตามสำนักอาจารย์ที่มีชื่อตามนครต่างๆเช่นพาราณสีราชคฤื้สาวัตถีโกสัมพีอุเชนีเหล่านี้เป็นต้นใครไม่ได้รับการศึกษาเล่าเรียนมาจากสำนักอาจารย์เหล่านั้นก็ถือว่าเป็นคนโง่งเงา่าไร้บุญวาสนา นั่นเป็นความจริงท่านสมณนะท่านคิดอย่นนั้นเหรออุบาสกถูกแล้วท่านสมณนะกุมาร ล, ละ่ะคิดยังไงข้าพเจ้าคิดว่าจะเรียนที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องมาสถาน ท, ที่ที่ท่าสมณะระบุมานั้นถูกแล้ววิชาความรู้มีอยู่เต็มโลกมีอยู่ทุกขนทุกแห่งมีทั้งในบ้านในเมืองในป่าในน้ำในอากาศในคนและในสัตว์ ไม่มีที่ใดจะปราศจากความรู้บุคคลที่ฉลาดมีปัญญาอาจจะหาความรู้ได้จากทุกหนทุกแห่งและทุกเมื่อกลายเป็นคนมีความรู้เฉลียวฉลาดเท่าๆกันหรือดีกว่าคนที่ได้ศึกษามาจากสำนักอาจารย์ทิสาป่าโมกสเสอกีกถ้าจะพูดกันตามความจริงโลกนี้ทั้งโลกก็คือสำนักอาจารย์ทิสาป่าโมกอันยิ่งใหญ่ ทุกสิ่งและทุกคนที่อยู่รวมตัวเราคือตัวความรู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจคือครูทั้งหกที่คอยบอกความรู้ต่างๆแก่เราเหตุการณ์ต่างๆที่จะชยอยกันเกิดขึ้นแก่ชีวิตประจำวันของเราคือบทเรียนของเรา ต่อไปเถอะทศมณะดูก่อนกุมารเมื่อโลกทั้งโลกเป็นโรงเรียนเราเกิดมาในโลกก็เท่ากับเป็นนักเรียนนักศึกษาเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วหน้าที่ของเราจะต้องทําอะไรหาที่ของเราคือเรียนถูกแล้วคอยรับบทเรียนที่โรงเรียนโลกจะประสิทธิ์ประสาทให้บทเรียนบางบทอาจจะง่าย เราอาจเรียนได้ด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินแต่บทเรียนบางบทอาจจะยากเราอาจจะต้องเรียนด้วยความยากลำบากด้วยน้ำตาหรือแม้ด้วยชีวิตนักเรียนบางคนอาจชอบเรียนและเลือกเรียนบทง่ายๆที่มีความสนุกสนานแต่รู้ไหมเมื่อ น, นักเรียนเหล่านี้ได้รับบทเรียนยักยากจะเกิดอะไรขึ้นเกิดความพ้อแท้ทั้งเกิดความทุกข์ใจ เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วทำยังไงเลิกเรียนแล้วก็พยายามหนีโรงเรียนโดยวิธีฆ่าตัวตายบ้างฆ่าครูผู้ให้บทเรียนบ้างเมื่อเป็นเช่นนี้เขาย่อมเป็นนักเรียนที่ดีไม่ได้เขาจะไม่ได้รับความรู้ชั้นสูงเขาจะโง่และสอบตกอยู่ในโรงเรียนโลกตลอดไปกูมาเลยความผิดหวังและความทุกข์ที่เจ้าได้รับในครั้งนี้ เป็นบทเรียนที่ยากบทหนึ่งซึ่งทางโรงเรียนโลกให้แก่เจ้าตอนแรกเจ้าคิดจะฆ่าครูผู้ให้บทเรียนแต่ภายหลังจะเลิกล้มความตั้งใจคิดจะฆ่าตัวตายแทนนั่นเท่ากับจะหนีตลอดไปจากโรงเรียนนั่นเองเวลานี้เจ้ากลับใจใหม่แล้วจะอยู่โรงเรียนนี้ต่อไปไม่คิดจะฆ่าครูไม่คิดจะฆ่าตัวเองหนีโรงเรียน แต่อาตมาก็ขอเตือนไว้ล่วงหน้าทันสมณะเตือนมาเถอะบทเรียนที่ยากๆอย่างนี้เรือมากกว่า น, นี้ยังจะมีอีกมากในอนาคตโรงเรียนโลกจะขยอยป้อนบทเรียนที่ยากๆขึ้นไปตามลําดับให้แก่เจ้าถ้าเจ้าสามารถผ่านบทเรียนนี้ไปได้บทเรียนต่อๆไปแม้จะยากแสนยากเจ้าก็จะผ่านไปได้โดยสะดวกฉะนั้นแทนที่จะโกรธแค้นชิงชัง พรามมหาศาลผู้ให้บทเรียนครั้งนี้แก่เจ้าเจ้าควรจะขอบใจเขาที่กรุณาให้บทเรียนอันมีค่าแก่เจ้าทำให้เจ้ามีจิตใจเข้มแข็งและฉลาดขึ้นกว่าแต่ก่อนดูก่อนกุมารในระยะแรกๆนี้เจ้าอาจจะยังมีความทุกใจอยู่บ้างอันเป็นเศษเหลือความโง่องของเจ้าเองแต่เดี๋ยวนี้เจ้าฉลาดแล้ว รู้ความจริงของโลกแล้วความโง่าหายไปแล้วความทุกข์อันเป็นผลของความโง่จะไม่เกิดขึ้นอีกความทุกข์ในครั้งนี้ก็จะค่อยๆหายไปตามวันเวลาเหมือนละอองน้ําที่เกิดจากลมเมื่อลมไม่มีละอองน้ําก็จะค่อยๆหายไปเจ้าไม่ต้องทําอะไรเพียงแต่อดทนคอยทุกข์ก็จะหายไปเองเทศนาของท่านจับใจเหลือเกินท่ า, านสมณะ ถ้าขพเจ้ารู้อย่างนี้ท่ต้องแต่แรกขาพเจ้าอาจจะยิ้มต่อบทเรียนบทนี้ได้อย่างชื่นตาแต่นักเพราะขบ a j โชคดีอยู่มากที่มีโอกาสพบท่านผู้เรืองปัญญาและสามารถเอาตัวรอดพ้นจากมรสุมชีวิตได้ท่านสมณะขพเจ้าอยากทราบว่าท่านเป็นนักบวชในศาสนาไหนบวชอุทิศให้ใครอาตมาเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนา บทอุทิตพระบรมศาสดาผู้มีพระนามว่าโคตมะเพียงแต่เป็นสาวกยังฉลาดหลักแหลมถึงเพียงนี้ถ้าเป็นองค์ศาสดาจริงๆจะฉลาดหลักแหลมสักเพียงใดเวลานี้พระศาสดาของท่านอยู่ที่ไหนท่านสมณะอาตมาทราบว่าพระองค์ประทับอยู่ที่พระเชตาวนารามแห่งกรุงสาวัตถีนครหลวงแห่งโกศลรัฐ ทำยังไงนะถึงจะสามารถพบพระองค์และฝากตัวเป็นสาวกของพระองค์ได้ คนรายอย่างนี้ฝนฟ้าก็ไม่เมตตาบางเลยดูสิข้าวกล้าตายหมดแล้วจะเอาข้าวที่ไหนกินกันละ่ะเห็นจะต้องอดตายกันข้าวแน่แหละไอข้าวที่มีอยู่จะพอกินไปได้นานอีกสักแค่ไหนอพยบเถพี่อบพยบไปไหนเขาป่าสิพี่เพื่อนบาดของเรานะอบพยบไปกันเกือบจะหมดแล้วนะอบพยบเข้าป่าไปทําอะไรกิน ก็หากรอยหาเผือกินกันไปตามเรื่องแหละพี่ดีกว่ามาอดตายอยู่ที่นี่ไปนะพี่นะอืมรอไปก่อนเถอะบางทีฝนอาจจะตกลงมาบ้างโอ้ยมัวแต่รอแต่รอฝนไม่ตกจะทำยังไงข้าวที่มีอยู่หมดเราก็อพยพได้ทัน อ, อ้บ้าบ้า ร่อนเอาอะไรกันคนในหมู่บ้านโกสานก็ล้วนแต่ยากจนยิ่งปีนี้ฝนแรงข้าวกาตายหมดชาวบ้านไม่นี้ข้าวจะกินแล้วมันป้นเอาอะไรร้นเอาข้าวเลยท่านเศรษีบางบ้านพอจะมีข้าวเหลืออยู่ก็ถูกปล้นไปหมดเลยตอนนี้อดอยากไปตามตามกันะ่ะเออบางบ้านเอพาพยศข้าป่านะหากรอยหาเผือกกินกันตายไปวันวันหนึ่งนางสารจริง ไอ้พวกโจรเี่ก็ช่างร้เหลือทนชาวบ้านพอจะมีข้าวกักตุนได้มามันก็มาปล้นมาไม่หมดมันโหดร้ายจริงเออปีนี้ทำไมถึงแห้งแรงนักนะแบบนี้อีกหน่อยก็ต้องมีคนตายเพราะอดอาหารกันบังรอก๋อนี่ก็ตายกันแล้วนะสิทีฮะมีตายแล้วเหรอเออน่าอันน่าหน่ า, น า, น า, นานเออนี่รลยยุงพอมีไหมออมีเยอะแยะตัง้งี กินได้เป็นปีๆทีเดียวถทศเสถียรไม่ต้องห่วงหรอกฉันไม่ได้ห่วงไอ้เรื่องนั้นห่วงที่ว่าชาวบ้านจะตายดั้งหากเอาเถอะเมื่อข้าวยังมีอีกมาสันดีแล้วจเจ้าไปสร้างโรงทานที่หนาประตูเดี๋ยวนี้เลยสร้างโรงทานทําไมทศเสถียรอ้าวบอกไว้เป็นที่แจกข้าวปลาแกผู้อดอยากสิเสถียรเฮ้ยไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นน่ะ<อ>ไปทําตามที่สั่งก็แล้วกันสร้างโรงทานให้เสร็จวันนี้ แล้วพ่งนี้ก็เริ่มแจกอาหารวันละสองเวลาเช้ากับเย็นแตากข้าวที่พอกินน ะ, ะไม่ต้องมากให้ประทังชีวิตไปวันหนึ่งวันหนึ่งเอาไปสิแค่แจะรีบจัดการเดี๋ยวนี้ที่จะยืนเถีงเยงอะไรนข้าเจ้าจะจัดการอย่างนี้นเศรษฐี นนนัวนนี่เอาแท็กดูเอาเอาเงียบเงียบกัเป็นเียบกันหน่อยจ๊ะัวาหดกพี่ก้ับทุกคนมารับแกกคนออ้าวน่ไปแท็กเขามเราแท็กไม่ได้แทกนะ คนนี้จะหาว่าแท้เอ้ยอยู่กับตายจะเสียงเขาเียกไปไปไปไปไไปไปต่อท้ายแถวโน่นแหละไปล่ะมีรับเกียร์หน่หายแถวใช่เหรออ้าวยาวเกียร์อันจะไม่ไหวนะเจ้ตัวเองก็ยังไหวแล้วทำไมตัวเองไม่ไหวฮะไม่ไหวก็ไม่ต้องเอาแจกนะอดไปหน่อยแล้วอดเต็ทุกคนจริงไหมไปกันนะอยากแตดได้มันต้งถึงคนอื่นอ่าก็มากท่ันสมนะมันยืนอยู่ทำไม ไปต่อท้ายแถวนู่นสิไม่ต้องรอกอ้าวไ่ได้มารับแจกข้าวของหรือล่ะอัตมามารับแจกข้าวงั้นก็ไปต่อท้ายแถวนู่นเอะจะรับเอาก่องคนอื่นไม่ได้หรอกอัตมาไม่ต้องการอย่างนั้ น, น, นแล้วมาเย็ยนอยู่ทําไมพอเยืยนอยู่อย่างนี้ไม่มีทางได้หรอกอัตมาได้ได้ยังไงทุกคนรับแจกกันไปหมดแล้วท่านจะเอาผลท้ายกันหรือถูกแล้ว โอ้ยคอจนเมื่อยแล้วพ่ะย่ะเยไม่เป็นไรสะมาคอยได้อาตามใจอาอาอาไปรอบมาด้ลอะรบแจกแล้วออกไปนะถอยออกไปอาอยเ้วอีกจได้ตัดสิทไม่แจกวันตอมันจะบอกได้เอาไปเอาเออาขอตามมาเออีม่รอบเียดีเลย ทำการจ่ายแจกอาหารแก่ผู้อดอยากวันละสองเวลาเช้าเย็นจ่ายแจกให้คนละนิดละหน่อยพอประทังชีวิตไปวันวันหนึ่งเท่านั้นในถิ่นอันแรงแค้นเช่นนี้บินถบาทไปตามหมู่บ้านไม่มีประโยชน์ประชาชนกําลังอดอยากใครละ่ระราัฐนาจะทําบุญถึงแม้อยากจะทําก็คงไม่มีอะไรทําเลยต้องมาบินถบาทที่โรงทานเศรษฐี ผู้คนมารับทานไปจำนวนมากมีทุกเพศทุกวัยโกลาหลแย่งชิงผลักดันกันเพื่อจะเข้าไปรับทานก่อนคนอื่นจึงต้องคอยบินทบาทภายหลังเสร็จก็ได้เวลาปิดโรงทานพอดี จะลงมือถันแต่ว่านั่นใครกันล่ะนอนแน่นิ่งอยู่บนที่พักชายคนนั้นท่าทางเหมือนสิ้นสติข้างๆมีเด็กชายอายุสักสามขวบเห็นจะได้หน้าตาหม่นหมองไม่มีเสื้อผ้าพ่นกายรูปร่างผอมโซเหลือแต่หนังคุ้มกระดูกนั่งร้องไห้ยอย่างน่าสงสาร เด็กคนนั้นคงจะเห็นคลานอย่างเราทดระทวยเข้ามากอดขาพ่อก็ตายแล้วพ่อก็ตายแล้วอย่าร้องไห้ไปเลยพ่อของหนูยังไม่ตายอะพ่อยังไม่ตายจริงเหรอล้อข้าใช่ไหม หลอกหนูทำไมพ่อของหนูยังไม่ตายเพียงแต่สลบไปเท่านั้นแะเติมยังไงพ่อถึงจะฟื้นล่ะไม่ยากหรอกเพียงแต่เอาน้ํามาลูบไล่ได้รับความชุ่มชื่นพ่อของหนูก็จะฟื้นเองน้ําน้ำอยู่ที่ไหนข้าจะเอาน้ํามาลูบพ่อน้ําอยู่ในบ่อโนนข้าจะไม่เอาเดี๋ยวก่อนเจ้าหนู เรียวค่าทำไมข้าจะรีบไปเอาน้ำแล้วหนูจะเอาน้ำมาได้ยังไงมีอะไรตักแล้วหระไม่มีนั่นสิไม่มีแล้วจะไปมีประโยชน์อะไรอ่ะหนูไม่ต้องไปหรอกฉันจะไปตักเองหนูอยู่ดูแลพ่อกันแล้วกันแล้วท่านจะอะไรตักละ่ะก็บาตรนี่น่ะสิในบาตรมีข้าวนี่นะเอาข้าวเทใส่ฝาบาตรไว้แล้วเอาบาตรไปตักน้ำ ดูแลพ่อให้ดีนะพ่อเยี่ยพ่อก็ฟืนแล้วเขาไปเอาน้ำมาลูพ่อพอพ่อได้น้ำพ่อก็จะฟืนโอ๊ย หิอข้าหิวจังเลยพ่อหิวแสบท้องไปหมดแล้วไม่ได้กินข้ต้องตายน่น่พ่อเฟื้นเลยแล้วนะจะได้ไปหาอะไรใหกินอ๋อไม่ไหวแล้วไม่ไหวก็อยู่จะแย่าอยู่แล้วนั่นเนี่ยฮะนั่นข้าวข้าวพิฝาบาท คนเมื่อกี้เอาเอาอกเก็บบาดใสไว้แล้วเอาบาไปตักนะ้อกินก่อนละอิ๋วจนงทนไม่ไหวแล้ว แล้วอ๋ อ, อพอพาขึ้นข้าวนะข้ายิ้มข้าวเจ้าหนูน้อยกินข้าวในบาทอย่างอเ็จอร่อยน่าสงสารน่าเห็นใจคงจะหิวมากปล่อยให้กินไปจนกว่าจะอิ่มเมื่อจะหมดก็ให้หมดไปแต่ว่าแล้วพ่อของเจ้าหนูน้อยนี่สิฟื้นขึ้นมาคงจะหิวมากทีเดียวไม่ได้ ต้องเอาที่เหลือเก็บไว้ฮะอ<ะ>ย่าเอาไปะ่ะเอามาได้ที่ใครยังกินไม่อิ่มเลยกินแค่นั้นพอก่อนแค่หายหิวก็พอแล้วใครยังไม่หายหิวเอามาไม่ได้นี่เหลือเก็บไว้เหลือไว้ทําไมอ่ะข้าจะกินอ่ะเก็บไว้ให้พ่อของเจ้าฟื้นขึ้นมาพ่อเจ้าคงจะหิวไม่อ่ะข้าจะกินให้ข้ากินเสีย ใใจใจบางครั้งก็ต้องทารุนกับเด็กเพื่อประโยชน์ของผู้ใหญ่และเพื่อสวัสดิภาพของเด็กเมื่อถูกน้ำเย็นลูบตามหน้าตามตัวพ่อของเด็กค่อยๆลืมตาขึ้นมองอย่างงงๆท่านสมณะข้าพเจ้าขอน้ำกินหน่อยเอาสิเอา อาปาพอแล้วขอบคุณมากท่านสมณะข้าพระเจ้าขอถามหน่อยเถอะท่านจะถามอะไรหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านหรือยังไงข้าพรเจ้าไม่เห็นมีใครเลยนอกจากท่านถูกแล้วอุบาสกหมู่บ้านนี้ถูกชาติกะไพคุกคาม ประชาชนถึงอพยพหนีไปหมดออยังไม่หมดเสลยทีเดียวยังเหลืออยู่อีกคนหนึ่งใครกันเหรอท่านสมณะท่านเศรษฐีคนหนึ่งเวลานี้ตั้งโรงทานแจกจ่ายอาหารแก่คนจนท่านกับปินเศรษฐีใช่ไหมท่านสมณะกับปินเศรษฐีใช่ไหมอาตมาไม่รู้จักชื่อเขาหรอกเพราะอาตมาเพิ่งมาถึงที่นี่เมื่อเย็นวานนี้อ๋อใช่แน่แน่ กับปินเศรษฐีใจบุญถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้ามาถึงที่จุดหมายปลายทางแล้วข้าพเจ้ารอดตายแล้วอุบาสกท่านเป็นใครมาจากไหน ข้าพระเจ้าชื่อกัดใจนะเป็นคนวันณแพทย์เดินทางมาจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งไกลไปจากที่นี่ทางทิศตะวันตกประมาณสิบโยชน์หมู่บ้านของเราก็เช่นเดียวกับหมู่บ้านอื่นๆในแถบนี้ต้องประสบจากตะภัยอันเกิดจากฝนแรงเมื่อข้าวที่ ก, กักตุนไว้หมดสิ้นลงและมองไม่เห็นทางเลี้ยงชีพอย่างอื่นข้าพเจ้าพร้อมด้วยภรรยาและบุตร จึงออกเดินทางจากบ้านตั้งใจจะมาพึ่งโรงทานของกับปินเศรษฐีเลี้ยงชีพไปพรางก่อนแต่ว่ามีอะไรเลยอุบาสกเดินทางมาได้เพียงวันเดียวสเสบียงกลังของเราก็หมดสิน้นและภรรยาข้าพเจ้าพัญญาท่านทําไมภรรยาของข้าพเจ้าตายทําไมรวดเร็วนักล่ะข้าพเจ้าก็ไม่รู้ พัน ญ, ญาท่านเป็นอะไรข้าพเจ้าไม่รู้พันยาข้าพเจ้าตายด้วยอาการประหลาดตายด้วยอาการประหลาดเป็นยังไงอ่ะที่เรียกว่าอาการประหลาดข้าพเจ้าตื่นขึ้นมาในตอนเช้าก็พบนางตายเสียแล้วโดยไม่รู้ว่าเป็นอะไร ข้าพเจ้าจึงว่านางตายด้วยอาการประหลาดแล้วท่านจัดการกับัญญายัางไงข้าพเจ้าจัดการกับศพนางตามมีตามเกิดแล้วก็อุ้มลูกน้อยออกเดินทางต่อมาระหว่างทางมนะันเต็นไปด้วยความอดอยากหิวกระหายอย่างหนักหมู่บ้านทุกๆแห่งที่เดินผ่านมาล้วนแต่เป็นหมู่บ้านร้างทั้งสิน้นแล้วท่านทํำยังไงนะ ข้าพเจ้าเลี้ยงชีพโดยการกินใบไม้รากไม้ในป่าเท่าที่พอจะหาได้แล้วพยายามเดินทางอย่างรีบเร่งเพื่อไปให้ถึงบ้านกับปินเศรษฐีให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เป็นเวลาสามวันเต็มๆเขานี่แล้วข้าพเจ้ากับลูกไม่ได้กินอะไรเลยสามวันแล้วท่านกับลูกไม่ได้กินอะไรเป็นความจริงทันสมณนะ เมื่อคืนนี้ข้าพเจ้าตื่นตั้งแต่ไก่ขันครั้งแรกแบกลูกขึ้นบ้านแล้วก็เดินมาอย่างรีบเร่งการเดินย่ำกรวดย่ำทรายมาเป็นเวลาหลายวันทำให้ข้าพเจ้าปวดร้าวขาทั้งสองข้างแทบยกไม่ขึ้นความเจ็บปวดและความเหน็ดเหนื่อยอีกทั้งหิวกระหายอย่างสุดขีดทำให้ข้าพเจ้าหมดกาลังลงที่บ้านร้างหลังนี้ ดื่มน้ำหน่อยก่อนเถอะอุบาสกขอบใจท่านสมณะข้าพเจ้าจำไม่ได้เลยว่าข้าพเจ้าเข้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงตอนนั้นความรู้สึกของข้าพเจ้าเลือนลางเต็มทีนบเทพเจ้าบนสวงสวรรค์ยังเมตตากรุณาข้าพเจ้าและก็โูกจึงชักนำให้เข้ามาในบ้านหลังนี้ และได้พบกับท่านอ๋อโอ๊ยเป็นยัยงไงอุบาสกอืขอ้าพเจ้าเจ็บปวดไปหมดอ๋อเอาล่ะอุบาสกนอนพักผ่อนตามสบาย อ, อาตมาจะช่วยเหลือท่านเท่าที่พอจะช่วยได้อ๋อท่านคงหิวนี่อาหารเชิญท่านกินพอประทังชีวิตไปก่อนขอบคุณท่านสมณนะอ๋อแล้วท่านละ่ะ กินอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วเลยเชิญท่านอย่าเป็นห่วงอัตมาเลยเย็นนี้โรงทานเปิดแจกท่านไปรับแจกไหวไหม ข้าพเจ้าเห็นจะไปไม่ไหวเท้าเดินไม่ได้แน่จริงสินะเท้าของท่านบวมมากทีเดียวเห็นทีจะปวดมากสิปวดมากทีเดียวท่านสมณะปวดจนกระดุกกระดิกไม่ได้แต่ไม่เป็นไรข้าพเจ้าไปไม่ได้ก็จะให้ลูกไปรับแจกทานแทนเห็นจะไม่ได้หรอกอุบาสกลูกชายของท่านยังเด็กนักเข้าไปแย่งชิงกับเขาไม่ไหวแน่ ไม่ไหวก็ต้องไหวทําไงได้ล่ะเรื่องนี้ท่านไม่ต้องห่วงตอนพักผ่อนให้สบายอัตมาจะจัดการเองท่านสมณะจะจัดการยังไงเหรอพรุ่งนี้อัตมาจะไปโรงทานแต่เช้าก่อนใครๆทั้งหมดรับบินทบาทงวดแรกมาให้ท่านกับลูกแล้วอัตมาจะกลับไปรับงวดที่สองเพื่ออัตมาฉันเองลำบากกับท่านสมณะมากทีเดียวไม่เป็นไรอัตมายินดี